หนึ่งชั่วโมงต่อไปนี้ก็ตั้งใจฟังธรรมพยายามดูแลตัวเองให้ดีชีวิตเรามีภัยอย่างที่เราสวดกันไปสักครู่นั่นแหละทำย่างไรให้ชีวิตเราปลอดภัยปลอดก็มาจากคำว่าเจอปะปะ แล้วก็รอดนะไปเจอแล้วก็รอดก็ปลอดภัย mm hmm. นื่พาภัยวัฏตาสงสาร mm hmm. ที่จิตใจของเรามันคิดเก่งมันเป็นการเกิดการแก่ายในจิตใจของเราเป็นการตายไปในจิตใจของเรา mm hmm. เราไม่มีกายมีใจ กายของเรมันมีโลกาภัยก็มีหมอพยาบาลอย่างที่กําลังเดินจะลงไปเนะี่ยก็เป็นพยาบาลนั้นแหละนะอาจารย์สอนพยาบาลดนะ้วยจุฬาลงกรมาหาวิทยาลัยนะโลคาภัยก็มีหมอพยาบาลกระทรวงสาธารณสุขอุนะบัติภัยนะก็มีคนที่คอยบอกคอยกล่าว ถึงความปลอดภัยต่างๆตามท้องถนนมีเครื่องหมายมีสัญญาณต่างๆอุปัติภัยวินาศภัยธรณีวิบัติภัยเนี่ยอย่างเมื่อสักไม่กี่วันก่อนตื่นสึนามิกัน 8.9 ดจุเกลิตร์ต้องให้แผ่นดินมันไหวก่อนจะรู้มนุษย์ กี่มมตตาวัลลิกเตอร์ป้องกันกัน็ตื่นตนกตกใจยามที่มีภัยเกิดมาภัยมากมายเหลือเกิ น, นจนละภัยอย่างี้ก็มีตำรวจมีทหารป้องกันกันแก้ไขกันกระบวนการพิพากษาตุลาการมากมาย ไอตัวของเรานี่ภัยมันอยู่ในตัวมันไม่ได้อยู่ไกลที่ไหนหรอกภัยร้ายในตัวเราก็คือความคิดของเราอันนี้มันเป็นเรื่องของความคิดที่เราวัตตาสงสารคิดแล้วมันเป็นภพเป็นภูมิเป็นชาติคิดแล้วโลภแล้วโกรธแล้วหลงคิดแล้วโลภก็เป็นเปรตคิดแล้วก็ดูร้ายโมโหโตโส อันนี้ก็เป็นจัตว์กคแล้วขี้ขาดตาขาวอันนี้ก็เป็นเรื่องของอสุรกายคิดแล้วใจดีใจงามคิดแล้วก็อยากให้ขึ้นมานนเป็นทั้งเทวดาเป็นพรหมเป็นสารพัดจิตของเราต้องการช่วยเหลือหเห็นคนตกตกได้ยากก็เรามีเมตตา บวงทีก็เห็นอะไรไม่ดีก็สั่งสอนลูกทำผิดก็ชี้นำให้ข้อมูลอันนี้ก็ใจเป็นพรหมมีเมตตากรุณาสอนได้แล้วช่วยได้แล้วก็ดีใจด้วยนะสาศทุอนุโมทนาเป็นมุติตาจิตเห็นก็ได้ดีแต่ที่จะอิจาริษยา เราก็แสดงมุทิตาจิตเห็นเขาทำกับเราเขาก็ไม่เข้าใจเรา <ciğim. S 1> แต่เราก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรให้อภัยได้คุณไม่เข้าใจเราแต่เราก็ใจคุณอย่างเงี้ยมันไปนแสดงออกถึงการให้อภัยไม่มีภัยเพราะเราถ้าช่วยไม่ได้จริงๆบอกกันแล้วชี้กันแล้วนำกันแล้วช่วยกันแล้ว ยังเป็นเหมือนเดิมแล้วก็แย่กว่าเก่าเช่นหมอพยาบาลรักษาคนไข้ช่วยไม่ได้ถึงแก่ชีวิตตายไปขณะที่อยู่ในโรงพยาบาลอันนี้เราต้องวางอุเบกขาเต็มที่แล้วมันมีมรณะภัยเป็นภัยร้ายที่อยู่ในตัวเราไม่มีใครไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายแต่ว่าหลายคนกลัวตาย ว่าบางคนอาจจะบอกไม่กลัวรอกตายแต่กลัวเจ็บก่อนตายทุลนทุรายก่อนตายนะตรงนี้แหละนะคืออะไรก็คือภัยที่มีอยู่ในตัวเรานะแล้วเราก็รู้ไม่เท่าไม่ทันนะหลงว่าจะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนะหลงว่าชีวิตจะมีแต่ความสุขนะไม่มีความทุกข์อนยะ่างเงี้ยบนี้เราไม่เห็นนะ ตัวเราการเห็นกายทางความเป็นจริงเห็นจิตเห็นใจตามความเป็นจริงนะจิตของเราดูตรงไหนก็ดูเวลามันคิดนะคิดแล้วโลภคิดแล้วโกรธคิดแล้วหลงคิดแ ล, ล้วรักคิดแล้วช่งมันเป็นพบภูมิเราก็พยายามที่จะนะเดินทางไปสู่ความพ้นทุกนะอยู่เหนือวัตตาสงสารเนือเกิดเหนือแก่เนือเจ็บเนือตายนะก็โดยการทีนะ่มามีตาใน เห็นช่องเห็นทางนะเห็นปัญหาแล้วก็เห็นทางออกนะซึ่งองค์สมเด็จสัมมาสุนทรเจ้าก็ได้ชี้ให้เราตรงๆนะไม่ได้ชี ح, นะ้ให้เราเดินทางอ้อมไปไหนนะนะหรอกขนทางเอกขนทางเดียวสู่การพ้นภัยพ้นทุกข์ทั้งปวงนั่นะก็คือมหาสติปัฏฐานสีนะ่มหาคือมันยิ่งใหญ่กว้างขวางนะนะสติการระลึกรู้ ภาษาบาลีมนสติภาษาไทยคือระลึกรูนะ้มันรู้อะไรก็รู้สึกตัวนี่แหลนะไม่ลืมตัวไม่หลงตัวหนะลงตัวลืมตายหลงกายลืมแก่หลงพ่อลืมแม่หลงแม่ลืมพ่อหนะลงผัวลืมพ่อหลงเมียลืมแม่ไปอะไรมากมายแล้วเกินนะเป็นความหลงหนะลงงานหลงการจนลืมถูกแล้วกายใจของเรานะ อันนี้ก็คือยกให้เห็นว่าถ้า้ได้จริงแล้วมันไม่ใช่อะไรมากมันแค่ว่าเราไม่รู้สึกตัวเท่านั้นแหละเรามีกายเราก็ไม่รู้ว่ากายนั่งอยู่ยขณะนี้บางคนอาจจะง่วงเหงาหานอนก็นได้นะอาจจะหงุดหงิดพอฟังเทศฟังธรรมแล้วก็มึนมันยังไม่ได้เวลาตื่นท่านี้นนดีสี่กว่าบางคนเพิ่งนอนได้ซ้ำไปไม่ เ, ไเดี๋ยวแปดโมงเช้าก็ตื่นไปทางานบางคน เพราะนั้นมันนี่มาฝึกปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกันนิสัยความเคยชินต่างๆเปลี่ยนมาฝึกฝืนฝึกฝนกันง่วงก็ต้องฝืนละกันเนี้ยหายใจลึกๆยืดคอตรงๆหลังตรงๆยืดขึ้นไปอย่าปล่อยให้อิทธิพลของความง่วงมันกดขี่ข่มเหงเข้างามเสียเปรียบมานานแล้ว ปฏิบัติทำก็กลับมาหาสู่ความจริงมันก็เห็นมันน่นละแล้วจะให้มันครอบงำใหมหรือว่าจะออกมาทางนี้ทางนี้ความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวก็เลือกได้เรามีสิทธิ์ที่จะเลือกนะเลือกที่จะไม่ทุกเนี่ยมันมีอยู่เลือกที่จะอยู่เหนือทุกเนี่ยมีอยู่ท้ายสุดก็คือนะมันเป็นแค่อาการของธรรมชาตินะมาถูกรู้เท่ารู้ทันนะ เราก็จะเห็นว่าเออมันสามารถที่จนะผ่านได้เปลี่ยนจากความง่วงเป็นไม่ง่วงนะเปลี่ยนจากเผลอหลงเข้าไปในความคิดเช่นะนฟังแล้วก็ตีความมันคิดไปก็กลับมารู้สึกตัวทิ่ฐานกายนะฝึกตรงนี้กันนะนะมันไม่เสียเวลาหรอกแล้วก็ไม่ยากด้วยนะแต่ว่าจะต้องจับประเด็นสักนิดหนึ่งวิธีปฏิบัติธรรมวิธีปฏิบัติรูปแบบการปฏิบัติเนี่นะ ให้พลิกมือรู้สึกตัวอย่างตอนนี้ฟังไปก็สามารถทำได้นะเคลื่อนมือรู้สึกตัวเนี่ยตอนนี้สามารถฝึกแัดได้เลยเนะสียงพูดเนี่ยไม่ต้องมาใส่ใจเลยนะฟังรู้เรื่องไม่รู้เรื่องไม่ต้องไปเอาความหมายหนะรือจะตั้งใจฟังก็ได้นะแต่ว่าจับประเด็นให้ถูกก็แล้วกันว่าพูดถึงเรื่องอะไรนะไม่ใช่ฟังแล้วมันก่อมดีจังเลยจิตนิ่งส ง, งบนะมันก็ดีอยู่ะแต่ว่ามันก็ยังไม่ใช่ สิ่งที่มันใช่ที่สุดนะก็คือรู้ทุกๆอาการอาการของกายมันเป็นยังไงตอนนี้มันนั่งอยู่มันเป็นยังไงอย่างเงีย้ยวิปัสนาไปอย่างนี้ยจิตใ จ, ใจของเรามันเป็นยังไงบ้างไปทางหูบ้างไปทางตาบ้างบางทีก็ไปความง่วงบ้างเบื่อบ้างหรือบางทีก็ฟุ้งซ่านเรื่องอะไรกันบ้างนะจับต้นจนปลายไม่ถูกหรือบางทีก็หลงเพลอไปคิดปัญหาเก่าๆที่แก้ไม่ตกอย่างเงี้ย เนะพราะนั้นไอ้ตัวนี้เรามันคือไพนะ่ถึงขั้นที่สามารถฆ่าตัวตายไดนะ้ความคิดของเราเนะี่ยอยา่งางที่เมื่อวานพูดนะที่นี้มีภระญี่ปุ่นอยู่คนหนึ่งนะตอนนี้ไปสงการที่ญี่ปุ่นนะเดี๋ยวคงจะกลับมาวันสองวันเนี่ยประเทศญี่ปุ่นจะเป็นประเทศที่เทคโนโลยีมันโหจเจริญของเราล้าหลังมากห้าหกสิบปีเนะนะขาว่ากันว่าถึงเจ็ดสิบปีไ<ม>ด้ซ้ำไป ของเรากัญี่ปุ่นเทคโนโลยีของเขานีนะ่มีความสุขมีความสะดวกสุดๆนะเป็นประเภทประเทศที่นะแพ้สงครามโลกทนะ้ายสุดมีกองทหารไม่ได้พยายามที่จะเนะปิดกรอบของตัวเองตีกรอบของตัวเองแล้วก็พยายามที่จะเป็นชาตินิยมพนะยายามที่จะกดระเบียบวินัยต่างๆนะมีกฎหมายที่มันเข่งคลัต ทุกคนก็ย า, ยามมุ่งถึงความสำเร็จก็คือพยายามทำงานแข่งขันนะรักษาระเบียบวินัยกันมากนะมันไม่มีตัวนี้ตัวรู้สึกตัวเนี่ยนะพอมันมีสุขปั๊บ้ายสุดนะมันกลายเป็นทุกทันทีเหมือนเทวดาแล้วก็หล่นลงมาจากท้องฟ้านะเทวดาตกลงมาจากสวรรค์เนี่ยสมมติให้ฟังนะตกแล้วก็ตึบเลยนะลงเหวไปเลยอย่างเงี้ยคือจาก ทำธุรกิจดีๆมีความสุขดีๆท้ายสุดนะตกวูบค่าตัวตายเลยประเทศญี่ปุ่นเนี่ยฆ่าตัวตายเฉลี่ยแล้วปีละนะไม่น้อยกว่า 35,000 คนต่อปี 30,000 5,000 นะคนเฉลี่ยละวันเท่าไหร่นะมันมีความสุขขนาดไหนกันคนนะประเทศจีนในประเทศหนึ่งฆ่าตัวตายยอะมากเลย<ม>โดยเฉพาะผู้หญิงนะ สถิตินี่ก็คือเขาลงลงไว้ตอนนี้ก็คืออัตราส่วนผู้หญิงค่าตัวตายมากกว่าผู้ชายสองต่อหนึ่งประเทศไทยอยู่ที่จังหวัดลำพูนนะค่าตัวตายกันเยอะมากผู้ชายเนี่ยค่าตัวตายสำเร็จเป็นอัตราส่วนสองต่อหนึ่งของผู้หญิงมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงไภัยตัวเนี้ยภัยวังสงสารไม่มีความสาเร็จกับค่าตัวตาย มีเด็กอยู่คนหนึ่งอยู่ขอนแก่นโอ้เรียนแพทย์เรียน4ี่ปีพ่อแม่ขอบอกว่าต่ออีกสองปีนะลูกนะพ่อแม่เป็นชาวนาลําบากเหลือเกินเห็นลูกเป็นหมอสักคนนู้รู้สึกว่าสกุลของเรามาสูงกันอีกเยอะเลยช่วยหน่อยนะลูกนะเด็กวันบอกมาเรียนไม่ไหวไอายเพื่อนเหลือเกินว่าไปเรียนแล้วเนี่ยมันเป็นชาวนานะมีหมอไฮโซหลายคนแข่งขันกันใช้ของนะราคาแพง แต่ว่าตัวเองเนี่ยมันดูเพื่อนแล้วก็เข้ากับเพื่อนไม่ค่อยได้ก็รู้สึกว่ามันไม่อยากเรียนแล้วครับอกครับใจครับที่อยู่ได้ครับใจอยู่ยาอาจารย์ที่ปรึกษาก็บอกว่าทนเรียนหนี่ยนะอีกสองปีก็จะจบแล้วไทยสุดยังไงวิ่งขึ้นไปว น, นดาดฟ้าพุ่งหลาวลงมาตายคาที่รู้ข่าวเนี้ยบ้างไหมเรือเด็กอยู่คนหนึ่งแม่ มาบ้านต่างจังหวัดแต่ว่าพ่ออยู่เลี้ยงลูกบนคอนโดและคอนโดเดี๋ยวนี้ไม่มีระเบียงมันไม่มีมันเป็นกระจกไปเลยปิดปรากฏว่าตอนนี้แหละแม่ก็เดินทางไปถึงหมอชิตโทรศัพท์บอกพ่อให้มารับหน่อยพ่อก็เลยไปรับแม่ก็ทิ้งลูกให้นอนคนเดียว อยู่ที่ชั้นเจ็ดลูกอายุแปดขวบนอนหลับอยู่ปรากฏว่าพ่อไปรับแม่ลูกตื่นขึ้นมาไม่เห็นพ่อพ่ออยู่ไหนพ่ออยู่ไหนไปดูที่ห้องน้ำก็ไม่มีชะงโงกลงไปมองตรงหน้าต่างาก็เห็นโอ้นั่นรถพ่อกำลังจะออกนี่จะออกไปไหนจะออกไปไหนก็หยิบรองเท้ า, าปลาลงไป แล้วเสร็จแล้วความคิดมันก็สั่งว่าเออเดี๋ยวจะไม่ทันพ่อนะกระโดดตามลงไปเลยรถเนยะก็กระโดดลงมาก็ตบตายกาที่อันนี้พวกนี้นก็เป็นข่าวนะเกิเป็นข่าวมาหมดแล้วคนไม่รู้จักความคิดท้ายสุดเขาทำอะไรมากมายแหลือเกินทำให้ตัวเองเนะี่ยต้องถึงแก่กรรมหมดชีวิตจบอีกชาติหนึ่งแบบรัดรัดสั้นๆเยนยะมันยังไม่มีความสาเร็จเลยนะ ไม่ได้ปฏิบัติธรรมยังั้งเนื้อเกิดเนื้อแก่เนื้อเจ็บเนื้อตายพ้นจากวัตฏะสงสารอย่างนี้แต่เพราะฉะนั้นวัตตะสงสารในที่เนีน้เราได้ยินมานานแล้วนะชาวพุทธไทยนะการเวียนไหตายเกิดนะไม่ต้องไปดูอะไรไกลหรอกดูทั้งว่าตื่นมาจนทั้งป่านเนี่ยนะเราคิดไปกี่เรื่องแล้วคิดมากไหมนะเรายามที่จะฝึกนะเบื้องต้นเลยฝึกให้การเคลื่อนไหวของกายเนะีนะ่ยเป็นเครื่องแล้ ว, ลวรู้ สติน้อยๆที่มันมีอยู่ตามสัญญาณนะให้กลับมาเปลี่ยนมาเป็นสติปัฏฐานนะเพื่ออะไรเราเจียเปรียบความคิดมามากแล้วนะอยากจะคิดมันก็ไม่คิดหรอกนะแต่ไม่อยากคิดมันคิดทั้งวันนะเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องนู้นนะจนเกิดเป็นโทสาริตโมหาจริตโลภจริตรนะาคจาริตนะพุทธจริตต่างๆมากมายเหลือเกินมันคิด นะมันก็กลายเป็นพบเป็นภูมนะิวันทั้งวันคุ้มดีคุ้มลายอย่างี้ตอนนี้เราก็เจึงมารู้จักนะการได้ยินได้ฟังนะใจมิสติอยู่กับกายนะบอกให้รู้จักหนะรือว่าเรามีภัยนะเกิดขึ้นมาบอกให้รู้จักว่านะการทุกขนะ์เพราะความคิดนะองค์สมเด็จสัมาว่าเจ้านะหรือว่าวิชาพุทธศาสตร์ ได้ค้นพบทางออกแล้วล่ะเวลาเรามีปัญหาคิดมากจนเป็นโรคจิตลรคปรนะสาทเดี๋ยวนี้ทางโรงพยาบาลมีจิตต บ, บําบัดจิตตาวิทยานะอันนั้นมันเป็นการแก้ไขปัญหาตามศาสตร์ของตะวันตกนะนะจิตตาวิทยาแต่ของเราเนี่ยทางตะวันออกมันมีนะจิตตภาวนาเป็นการแก้ปัญหาตรงๆลงไปเราจะได้เห็นความคิดทิมเป็นบุญ ความคิดทิมเป็นบาปจะได้รู้จักตัวบุญตัวบาปมันเป็นยังไ ง, งนะมันคนทําบุญไปนรกบางคนทําบาปขึ้นสวรรค์อย่างนี้นมันมีนะบางทีทำดีเราก็บอกเออทําดีได้ดีมีที่ไหนทําชั่วได้ดีมีถมไปมีไหมทําดีทั้งน้ําตาบางทีเราก็ทําดีแต่ทุกจั ง, งมันมีอย่างเช่นว่ามีเรื่องเล่าว่ามันมีใยบุญใยบาป ยายบุญนี่ทำบุญไปนรกยายบาปนี่ทำบาปแต่ไปสวรรค์เออมันมีนะเช่นยายเมเนี่ยเาชอบเป็นคนทำบุญไปวัดนุ่งห่มชุดสีขาวนะชอบทำบุญยายบาปนี่ชอบแบบคันเบ็ดนะไปตกปลาด้วยเหตุผลที่ว่า ลูกไม่มีจะกินหลานไม่มีจะกินตัวเองก็เสียสละยอมทำบาปไปตกปลาแต่เจตนาในบริสุทธิ์ใจต้องการที่จะให้ลูกหลานได้มีกินมีอยู่มีกินเย บ, บุญนี้บอกว่าธรรมะธรรมโมชอบเข้าวัดแต่ไปวัดนี่ไม่ได้ปฏิบัติธรรมนะถือศีลกินเจ พอกินข้าวอิ่มก็นอนพอตอนเพนกินข้าวเพงเสร็จก็นอนเป็นผ้าขาวห่อศพอยู่ในวัดนั่นะใครทำไหมพฤธิกรรมแบบนี้นช่วงขบรรสาวันพระไปถือศีลกินเจอยู่วัดกัไปกินกินนอนๆอนไม่รู้ว่าพระก็ทำอะไรกันอยู่ในวัดนะพระก็ไม่สอนพอให้ญาติโยมมาถือศีลทำบุญตักบาทแล้วรับศีลแปด เสร็จแล้วก็ปล่อยเลยที่นี่ไม่ได้ปล่อยแบบนั้นนะที่นี่เราดูแลกันในพวการเข้าคอร์สนะยายบุญปรากฏว่าเช้านั้นก่อนที่จะมาวัดเจอกับยายเบียบาเพื่อนรักนะยายบาแบกคันเบ็ดแล้วก็เดินไปตกปลายายบุญชวนยายบา ป, ปเข้าวัดเถอะทําบุญทําทานแก่ทําตาบาตบตาเวนตกรรมยายบาบอกเออข้าไม่รู้จะทําไงเว้ เงินไม่ค่อยจะมีต้องไปหาอยู่หากินแบบนี้แหละเสร็จนะแล้วก็สะพายกันเบ็ดบันนั้นตกเบ็ดปรากฏว่าตกเบ็ดขณะที่นั่งมันเม่อๆมือใจมันเมื่อๆมื อ, ม, อมันลอยคิดถึงเพื่อนเีบบุญโอ้ป่านนี้เีบบุญคงจะนะได้บุญเยอะนะเราเกิดมานะมันลำบากเหลือเกินเงินทองก็ไม่ค่อยจะมีเขานะ งานการก็ไม่ค่อยจะได้ทําเหมือนกับชาวบ้านชาวเมืองเขาต้องออกเรี่ยวออกแรงเงินก็ได้น้อยน้ำบันก็จะแก่เท่าตายไปแบบไม่ได้บุญอะไรมากมายกับเเสียดายจังวันใดวันหนึ่งถ้าเรามีโอกาสอยากไปวัดปฏิบัติธรรมคิดดีไหมยายบาปไปตกปลาแต่คิดดีไหมดีส่วนยายบนนะอยู่วัดนอน เช้าก็ไดยนอนตอนบ่ายโอ้มเหลิมจะเย็นสักทีพลิกไปกับพิกมานอนไม่หลับใจก็เลยคิดถึงเพื่อนนิมิตของเพื่อนตอนที่ก่อนมาทำบุญคิดว่าโอ้ยบาปเ้ยป่านนี้คงวัดปลาปลาช่อนปลาดุกปลาหมอปลาสารพัดได้หลายตัวแล้วนะปลามันคงจะกินเหยื่อวัดใส่ข้องจับใส่ข้องจับใส่ข้องเสงียดายไม่ได้ไปกับมันด้วยโอ้เบื่อกิงบาวัดเนี่ย ป่า น, นี้คงจับปลาได้หลายตัวแล้วเฮ้ยเดี๋ยววันไหนจะไม่ใช่วันพลาเน่ยจะไปตกเบเกลเองด้วยตัวอยู่วัดแต่ใจคิดเป็นบุญนั้นเป็นบาปมันตกปลานะร่างกายอยู่วัดแต่ใจไปเที่ยวแล้วออกนอกเนื้อนอกตัวไปไปทําบาปทําชั่วสองคนปรากฏว่าหลังจากตายไปเสด็จกรรม ยายบาไปเกิดเป็นนางฟ้านววิธีคิดแบบนี้ไปเกิดเป็นนางฟ้าอยู่บนสวรรค์น่นส่วนใายบุญนะไปเกิดหยุนเป็นนอนในซุวมพระอยู่ที่วัดนวแทนที่ทำบุญจะได้บุญนะตัวชอบอยู่วัดใจชอบอยู่วัดนะแต่ท้ายสุดมันชอบคิดออกไปเส็กรรมเกิดเป็นนอนนะอยู่ในวัดเหมือนกัน ยายบาบนะีโอ้สบายเล ย, ส เ, ลยนะเสวยเศษกก ร, รมคิดดีนิดเดียวเท่านั้นนะ่ะคร น, นี้ยายบานะคิดถึงยายบุญในเนนะีเอเพื่อนของเรามนน่าจะมาอยู่ที่สวรรค์ด้วยกันนะมันก็ทําบุญทาดีมามันไปเกิดที่ไหนนก็มองลงมาโอ้มันไปเกิดในสวนเองเอไม่เข้าท่าแนละ้วต้องไปหาเสร็จแล้วยายบาบก็เลยบอก ยาบุญยายบุญอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะนตะโกนเรียกเฮ้ยอยู่ไหนยายบุญยาบุญยายบุญนอนยาบุญก็ชัยขึ้นมาอยู่นี่เว้ยใครว่าเรียกฆ่าเอาฆ่าไงยายบาเพื่อนแกนแล้วแกทำไมมาทำอะไรอยู่ที่นี่วะเออไปอยู่กับฆ่าเอบทสวรรค์โ น, น่นะ สวรรค์มีดียังไงยาบุญถามโอดีนะมีวิมานใหญ่มากเลยนะคิดอยากจะได้วิมานอยากอยู่วิมานใหญ่ขนาดไหนมันมาทันทีคิดปับ๊บเนลมิตรอะไรมาทันทีอยากจะมีนะคูครองเทพบุตรหล่อขนาดไหนคิดเอามาทันทีอาหารกันเหมือนกันเป็นอาหารทิพย์ แกเอ้ยอยากกินอะไรล่ะของวิเศษทั้งนั้นเลยนะผลไมด้ดีๆนะคิดปั๊บมาให้กินทันทีดีไหมพวกเราดีไหมดีนะยาบุญได้ยินงนั้นบอกโอ้แมวหรอกแมวแมวแม ว, แมวอ้าวทำไมล่ะของเองเหรออยากมีบ้านมีวิมานต้องคิดเอาอยากจะมีคู่ครองต้องคิดเอา จะมีอาหารทิพย์กินต้องคิดเอาของข้าไม่ต้องหล่นตุบมากินได้ทันทีเลยโคดขี้พระหล่นตุบมากินได้ทันทีเลยถ้าเป็นเราจะกินไหมคนอยู่กับของสปกปรกเลยนอนอยู่ในคูดไม่เห็นคูดปลาอยู่ในน้ำไม่เห็นน้ํานกอยู่บนฟ้าไม่เห็นฟ้าคนอยู่กับทุกอยู่กับภัยก็ไม่เห็นทุกไม่เห็นภัยเมนโทษ เราก็จึงมาดูตัวเองกันตอนนี้นะมาวัดแล้วความคิดไก่มันอยู่ที่นี่แหละไม่ต้องไหลกลับไปเป็นปฏิฆะเป็นความกังวลคิดถึงลูกอย่างี้นะคิดถึงสามีคิดถึงงานคิดถึงบ้านคิดถึงทรัพย์คิดถึงการเดินทางไปการเดินทางกลับมันจะเดินทางกลับยังไงวิตกังวลเจ้าหมองไปคิดถึงการเล่าเรีย น, น คิดถึงว่าเออเราน่าจะเรียนธรรมะคิดถึงว่าจะน่าจะเรียนอ่านหนังสือปัตติบิดกนะ์เรียนปริยัติที่นี่ไม่ต้องนะเอากายเป็นตําราเอาจิตใจเป็นตําราเนีเอากายและ ร, รู้คือสติดูตรงๆลงไปเป็นนักศึกษาเป็นนักเรียนนะอนุบาลก็หมายถึงว่าเห็นการเคลื่อนไหวของกายเบื้องต้นแลเห็นกายในกายไม่ใช่สัตว์ตัวตนบุคคลเราเขานะปฐมหมายถึงอะไรหมายถึง เห็นเวทนาในเวทนาเวทนาคือสุขทุกข์ที่เกิดกับกายของเราเนี่ยแหละสุขทุกข์ที่มันเกิดขึ้นมาภายในจิตใจก็มีเหมือนกันเห็นสุขทุกข์เรียกว่าปฐมเราพัฒนาเลื่อนชั้นเรียนมาเป็นปฐมลักษณะของมัธยมเป็นยังไงการเรียนจะเห็นจิตเห็นใจของเราเวลามันแวบคิดแวบคิดเน่ยเห็นไหมเราพยายามที่จะรู้สึกตัวอยู่มืนกนัแวบคิดแวบคิดน่ย อันนี้พัฒนาขึ้นไปเป็นระดับของมัธยมศึกษาอุดมศึกษาเป็นยังไงนะมันก็จะเห็นธรรมชาติเกี่ยวข้องกับธรรมชาติตามความเป็นจริงเนะห็นธรรมเนะห็นธรรมในธรรมไม่ใช่สัตว์ตัวตนบุคคลเราเขาเนะห็นธรรมธรรมชาติรูปมากระทบตาเสียงมากรทบที่หูรสชาติมากรทบที่ลิ้นนะจมูกกระทบเลี่ยนกายสัมผัส จิตใจที่มีอารมณ์ต่างๆนิวรธรรมเช่นตอนนี้ใครง่วงก็แสดงว่าโดนถีนธมิทะครอบงำถีนทมิทะครอบงำงกงเ ง, งาเศรซึมเบื่อเซงพวกนี้นโดนนิวรธรรมด่านกันจิตไม่ให้เราบรรลุ ถ, ถึงกุณงาวความดีมันช่วยตัวเองให้ได้พยายามปลุกเราตเองให้ตื่นขึ้นมาอย่าไานั่งให้ความง่วงครอบงำมีอิทธิพล อันนี้ลำจะไปเกิดเป็นนอนแหละประเภทนี้มันจะไม่ได้ไปนิพพานหรอกมันจะไปเป็นอันธรธานท้ายสุดเกียรติวัดเกียรติพระอะไรเกียรติการปฏิบัติทำไมปฏิบัติมันแย่ขนาดนี้มันทุกขนาดนี้ไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวประเภทนี้ไหลลงต่ําหมดนะเพราะฉะนั้นทวนนะแล้วท้ายสุขเรียนจบนะไม่ต้าไปเรียนอะไรมันต่อก็หมายถึงว่าออรู้จักหมดแล้วธรรมชาติภายนอกธรรมชาติภายใน ในรับของอดมศึกษาเห็นกายเห็นวนาเห็นจิตเห็นธรรมนะเห็นสิ่งที่มันนะเป็นตัวชีวิตของเราเนี่ยแหละที่เราไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นมาก่อนนะตาเนื้อเราลืมแต่ตาในเราปิดสนิทนะมืดบอดนะเพราะฉะนั้นเรามาที่นี่วัดป่าสุกโตนะเอาความเป็นมนุษย์นะเข้ามาในวัดมีจิตใจที่สะดสว่างสงบนะมามืดก็ไปสว่างมาสว่างก็กลับไปยิ่งสว่างนะเรียกว่า หายสงสัยในเรื่องของชีวิตนะไม่สงสัยเลยนะมาสว่างกลับไปสว่างนะแต่ว่าถ้าไม่ฝึกฝืนฝึกฝนนะไม่ลืมตาในให้ดีๆนะมาสว่างมีศรัทธาศรัทธาอาจจะตกหรือว่าหมดลงไปเรียกว่ามาสว่างกลับไปมืดนะรู้ว่ามามืดแล้ว ก, กลับไปมืดก็เลือกเอาเราจะไปสู่ภพภูมิไหนต่อไปอย่างนี้น ะ, ะเพราะนั้นชาวนี้เราก็พูดให้ฟังถึงเรื่อง ให้เราเนี่ยมารู้สึกตัวกันนะมันเป็นวิชาของพระพุทธศาสนาเราจะได้พ้นภัยภัยความคิดนะที่เรียกว่าวัฏฏสงสารนะเกิดดับเกิดดับทียิบทั้งวันนะหรือว่าเตรียมตัวนะมรณภัยเวลาที่ผ่านไปตลอดเวลาวินาทีหนึ่งวินาทีหนึงมันเดินทางใกล้สู่ความตายไปทุกๆขณะนะพระนัินยประมาล ความตายมันไม่ติดหินบนไครหรอกไครที่จะติดหินบนกับมัจจุราชกับความตายเนี่ยมันมันทำไม่ได้หรอกทุกคนกํนลาลังเดินทางสู่ความตายแต่เราเตรียมกายเตรียมใจยังไงเตรียมวางกายหรื อ, อยังดินสูดดินน้าสูนา่น้ําลมสูลมไฟสูไฟเตรียมหรื อ, อยังขนาดหนึ่งขนาดหนึ่งเนี่ยเราตกเป็นไท้ของกายต้องหาอยู่หากินร่นะางกายเสพติดอะไรมาคาเฟอีนมอร์ฟินพวกเนี้ย หรือว่าติดนิโคตินแอลกอฮอล์แล้วเราก็ต้องปนเปลอคอยให้อาหารมันอย่างี้ทั้งวันเพราะนั้นมาฝึกมันสร้างระเบียบวินัยให้กับร่างกายของเรามันไม่ทนก็ทนขึ้นมานั่งนานๆ5านาที10นาที15นาทีครึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงพัฒนาขึ้นมาจนเกิดอินทรีย์แก่กล้าเป็นตะบะมันจะได้เป็นลักษณของมหาบุรุษ มัอนองสมเด็จ ส, สัมมาว่าเจ้าสมัยเป็นเจ้าชายศรีสุทธะที่เราเคยได้ยินได้ฟังมาฝนะึกตะบะนะให้มีความอดทนอดกลั้นบรรไดวันหนึง่งถ้าเกิดว่ารถไปกวา้างแล้วมันทับเราไม่ขาดใจตายไปซะก่อนหรือหรือว่าไปอบรมนะเกิดไปอบรมมาเกิดนะอาคารมันซดลงมาเงี้ยแล้วมันทับแล้วเราก็ยังไม่ตายอเงี้ยนะถ้าเกิดไม่ฝึกมีความอดทนแล้วไม่ตายไปซะก่อนหรือแล้วโดยวเพราะจิตใจของเรานะ จะต้องอดทนกับสังคมเศรษฐกิจการเมืองต่างๆมากมายเหลือเกินมันทนได้หรือกนะับการที่บางทีมีลูกสักคนต้องเลี้ยงจนโตจนใหญ่จนฝ่าจะเพิ่งตัวเองได้นะเวลามันเดือขึ้นมาเงี้ยเวลามไม่ฟังพ่อไปฟังแม่พอแม่ไม่ตอมใจตายไปซะก่อนหรือหรือว่าเอาชีวิตไปฝากไปแฝดว่าบุคคล1 2 3, นะึ่งสอรักเขามากอย่างเงี้ยพอเขาจากไปอย่างเงี้ยเราไม่ขาดใจตายซะก่อนหรือตอนใจตายก่อนหรือหรือว่าทุก ตอนนี้เรามาฝึกมีสติมีความรู้สึกตัวเราก็จะมีทางออกพบทางออกนะเกิดปัญหานะอะไรก็ตามเกิดขึ้นมามีทางออกกลับมารู้สึกตัวก่อนอย่างเช่นตอนนี้ก็ตามนะจิตใจของเราจะเป็นยังไงก็ตามกลับมารู้สึกตัวจนเกิดการวางกายวางใจร่นะางกายเราก็ผ่อนคลายสบายๆนะใจ ก, กลางๆว่างๆว่างๆหยุดๆเย็ยนๆสบายเลยนะได้ที่พึ่ง ใช้สุดกนเนี่ยละนะเป็นกําไรของชีวิตเลยฝึกหัดไปแรบทำนะวันนี้แหละเป็นวันสุดท้ายยัไม่โกรธติดต่อไปอย่างเงี้ยนะมีสิทธิ์ที่จะไม่โกรธนะวันนี้เราเป็นวันสุดท้ายแล้วที่เราจะไม่นะต้องมานั่งหัวร้อนร้องให้นะเสียใจกับคนอื่นอย่างเงี้ยเราห้าขันมันก็หนักเกินพอแล้วนะมีกายกระทุ่ป ก, กายมีใจกระทุ่ปกใจของเราเองนะไอ้ของคนอื่นก็เรื่องคนอื่นก็แก้ไขตัวเองกันเอาเองแล้วกันปัญหาใครกับปัญหาใครนะ ของเราคือของเราเพราะะฉนั้นมาที่นี่นะปริพเทความคลองบนต่างๆไม่สนใจไปเลยลนะพยายามกายอยู่ที่นี่ใจก็อยู่ที่นี่กายอยู่ไหนใจอยู่นั่นกายทำไรใจทำด้วยฝึกอย่างนี้โดวยว่าการเคลื่อนไหว14บสี่ชนหวนี้เป็นกรอบเป็นกรรมทีเดียวรูปแบบการฝึกการหัดจิตมนะันก็จะเดินทางได้ไวนะพอและนะี่สิ่งที่พูดมาก็เห็นว่าน่าจะเป็นประโยชน์อยู่บ้าง เราก็สรุปจะประเด็นตรงท้ายสุดนี่แหละก็คือพยายามที่จะสนใจใส่ใจกับการเคลื่อนไหวนั่งเดินยืนนอนจะลุกจะทําอะไรก็ตามการเคลื่อนไหวแต่ละขนาดมีความหมายมากเหมือนกับหยดกระตังใส่กระปุความศินบาทหนึ่งบาทหนึ่งบาทหนึ่งเมื่อหยอดมากๆตั้งแต่เกิดจนกระทั่งมาถึงวันนี้ก็คาดว่าเราก็ควรจะเป็นมหาเศรษฐีกันละละถ้าไม่แค่กระปุกไม่ทุกกระปุกไว้ใช้ซะก่อนฉันใดก็ดี ความรู้สึกตัวแต่ละขณะก็เหมือนกันก็เป็นการหยอดสติใส่กระโปรงเหมือนกันนะเก็บไว้ถูกที่ถูกทางเหนะมือนกับต้นไม้ปลูกถู ก, ถกที่ถูกทางนะถูกแปลงมันก็จะเจริญงอกงามเราก็มันลดน้าพรนดินก็คือสร้างความต่อเนื่องนะเคลื่อนไหวนั่งเดินยืนนอนให้มีความต่อเนื่องนะจะดูลมหายใจจะดูท้องปองยุบนะแลโดยเฉพ 14, าะ14ว่านี่มันโอ้แรงมากนะ ไมาก1น3่งวันสอวันมวันมีผลกับการเดินทางของเราจริงๆนะเพราะฉะนั้นก็ขอให้นะการประบัตเดียวของเราทั้งหลายนั้นนะการมาวัดป่าสุกโตเพื่อประพฤตนะิพรมจรรยของเราทั้งหลายนั้นก็จงเป็นไปเพื่อการทำที่สุดแห่งกองทุกโดยทั่วนาการทุกท่านทุกคนทั้นเิอ